ที่พวกเราพาตัวเองมาถึงที่นี่เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่น่านาโมธ น, นนะเพราะว่ามันเป็นการสร้างโอกาสให้กับตัวเองในการเข้าถึงความสุขอันประเสริฐซึ่งอาจจะเป็นความสุขที่เราไม่เคยค้นพบมาก่อนเลยก็ได้จริงเนี่ยโอกาสที่ว่านี่ มันก็มีอยู่แล้วนะยังไม่ต้องถือต่าสร้างขึ้นมาเช่นการที่เรามีสุขภาพดีมีกำลังวังชารวมทั้งไม่มีความจำเป็นที่จะต้องปากกาตินทีบนะจนกระทั่งไม่มีเวลาที่จะมา ภาวนาที่นี่ได้หลายคนนี่เขาต้องทำงานตัวเป็นเกลียวเพื่อความอยู่รอดเพื่อหาเพราะหาเช้ากินค่ำหรือเพื่ อ, อชำระหนี้สินหรือบางคนก็มีภาระดูแลพ่อแม่ผู้มีพระคุณหรือบางทีก็จะดูแลลูกที่กำลังป่วย ถ้าเราไม่มีเหตุการณ์แบบนั้นนี้ก็ถือว่าเรามีโอกาสนะมีโอกาสที่จ ะ, ะค้นพบผลทางนะแห่งความสุขเห็นความสงบเย็นแต่ว่ามอในแง่หนึ่งมันก็ต้องสร้างโอต้องรู้จักสร้างโอกาสเหมือนกันนะเพราะว่าม่งานเนี่ย สิ่งอื่นนี่มันก็จะแย่งเวลาของเราไปมันก็จะทำให้เราเนี่ยไม่มีโอกาสนะที่จะมาทำความเพียรที่นี่ให้การที่เราจะเสาะโอกาสให้ได้เข้าถึงความสุขอันประเสริฐเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญนะ เป็นสิ่งที่เราควรจะให้ความใส่ใจแต่ว่าโอกาสที่ว่าเนี่ยนะมันต้องอาศัยการลงแรงด้วยเหมือนกันนะอย่างเช่นเราจะพาตัวเองมาถึงนี่ได้เนี่ยโอ้มันก็ ต้องใช้ความเพียร น, นอกจากระยะทางจะไกลเราจะต้องนะต่อสู้กับตัวเองด้วยซ้ำเพราะว่าแม้ว่ารู้ว่าการมาวัดมาภาวนา น, นี่เป็นสิ่งดีแล้วก็ตั้งใจจะมาแล้วนะแต่พอใกล้จะถึงวันเนี้ยไอ้กิเลสเนี่ยนะมันก็จะมีข้ออ้างสารพัดเลย ที่ทำให้เราเนี่ยลังเลใจจะมาดีไหมเนี่ยบางทีก็นึกถึงงานการนะกิเลสมก็อ้างงานการที่ยังค้างค า, าอยู่บางทีมันก็อ้างถึงพ่อแม่ลูกนะว่าเขาต้องการการดูแลจากเรานะเรามานี่แล้วใครจะดูแลคนเหล่านั้นนะ แต่ก่อนอาจะไม่ค่อยเป็นห่วงเท่าไหร่นะแต่พอใกล้จะมาถึงเนี่ยใกล้จะมานี่เกิดรู้สึกเป็นห่วงขึ้นมาแล้วอันนี้นะมันก็ต้องอาศัยการสู้กับตัวเองนะหรือที่จริงก็สู้กิกเลสนะกว่าจะพาตัวเองเนี่ยมาถึงนี่ได้มาถึงนี่แล้วนี่ก็ไม่ใช่ว่าจะรู้สึกปลอดโปร่งสบายนะเพราะว่า จริงอยู่นะที่นี่เนี่ยมันสงบร่มรื่นแต่ว่าหลายคนจะพบว่าโอ้มันเป็นที่ที่เราไม่คุ้นเคยเลยเป็นสถานที่ที่เรารู้สึกไม่กลมกลืนด้วยเพราะบางคนนี่ก็ไม่เคยมาอยู่นะวัดไม่เคยมานอนกุฏิคนเดียวหรือว่า มาอยู่ท่ามกลางป่าหรือธรรมชาติซึ่งอาจจะมีสิงสารสัตว์งูเงี้ยวเขี้ยวขอมากมายมันก็ต้องใช้ความอดทนนะเราก็ต้องใช้ความเพียร น, นะโดยเพราะความไม่สะดวกสบายนะเมื่อเทียบกับอยู่ที่บ้านอยู่ที่บ้านเนะี่ยมันมีความสะดวกสบายหลายอย่างบางคนก็ อยู่บ้านก็มีเครื่องปรับอากาศนะมีเครื่องทำน้ำอุ่นมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายพอมาอยู่วัดนะก็จะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่แต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่เราควรจะพร้อมลงทุนลงแรง ไอ้ธุนนี้ไม่ต้องลงมาเท่าไหร่จะ ต, ต้องล ง, ลงแรงลงแรงที่นี่คือทำความเพียรไอ้การที่เราจะเข้าถึงความสุขอันประเสริฐเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะมาได้ง่ายๆและมันก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะซื้อหาได้ด้วยเงินไม่เหมือนความสุขอย่างอื่นนะความสุขจากการเสพเนี่ยเรามีเงินเราก็สามารถจะซื้ออาหารที่อร่อยมากิน สามารถจะซื้อเครื่องดื่มมามาเรียกว่าปลนเปลอความสุขให้กับเราหรือว่าไปซื้อเสื้อผ้าอาพรใหม่ๆรองเท้าเครื่องใช้เพียงแค่ได้มาเป็นเจ้าของก็มีความสุขแล้วบางทีเขาก็มีโฆษณานความสุขที่คุณดื่มได้นะ ไอความสุขแบบนี้นี่มันก็ต้องซื้อนะต้องใช้เงินต้องลงทุนแต่นั่นไม่ใช่ความสุขที่ประเสริฐนะมันเป็นความสุขที่ฉาบสวยชั่วคราวและส่วนใหญ่ก็เจอไปด้วยทุกข์นะหรือว่ายิ่งกว่านั้นคือเจอไปด้วยโทษเช่นความสุขที่คุณดื่มได้นี่นะดื่มไปมากๆ ก, ก็อาจจะมึนเมาหรือว่า อาจจะเกิดโรคภัยไข้เจ็บตามมาแม้แต่อาหารการกินทีอ่รอร่อย่เนี่ยกินไปมากๆนี่ก็ป่วยได้เหมือนกันนะน้ำตาลขึ้นความดันขึ้นหรือว่าไขมันสูงเนี่ยเกิดโรคอ้วนขึ้นมาอันนี้ก็เป็นโทษนะที่สะสมในระยะยาวแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่หามาได้ง่ายนะเพียงแต่ใช้เงิน แต่นั่นเป็นความสุขที่ชั่วคราวฉาบช่วยเองที่ว่าความสุขที่ประเสริฐเนี่ยมันใช้เงินซื้อไม่ได้นะมันต้องลงแรงนะต้องทำความเพียรหลายคนก็รู้นะว่ามันต้องลงแรงมันต้องใช้ความเพียรต้องใช้ความอดทนนะจึงตัดสินใจที่จะมาที่นี่บางคนก็ถึงกับมาจำพรรษาสำหรับหลายคนนะ การจำภาษานี่ก็เป็นการจำราษาครั้งแรกด้วยซ้ำ ม, มาอยู่ในวัดในสถานที่แบบนี้เนี่ยที่ไม่สะดวกสบายเนี่ยใหม่ๆมันก็จะรู้สึกเป็นทุกข์นะมันไม่ใช่ทุกข์เพราะความไม่สะดวกสบายเท่านั้นนะแต่แม้ทุกข์เพราะว่าต้องเจอความเหงาเนะเพราะว่าต้องจากบ้านจากพี่น้องจากเพื่อนฝูงจากสิ่งที่คุ้นเคย จากความสนุกสนานบันเทิงเริงรวมที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านโทรศัพท์มือถือผ่านโทรทัศน์มาอยู่นี่แม้ว่ารอวันที่จะมาจำพรรษารอวันที่จะมาปฏิบัติธรรมแต่พอมาถึงเนี่ยวันแรกสองวันแรกนี่ก็รู้สึกเหงาขึ้นมานะส่วนหนึ่งก็ว่าเป็นความแปลกที่นะแต่ว่า ธรรมชาติคนเราเนี่ยนะมันปรับตัวได้ง่ายนะแม้ว่าจะรู้สึกเงารู้สึกรู้สึกขัดแย้งนะรู้สึกแปลกแยกนะกับสถานที่หรือว่ากับบรรยากาศหรือกับวิถีชีวิตเนี่ยแต่นี่มันก็เป็นของชั่วคราวนะลองให้เวลากับตัวเองนะในการปรับตัวเนี่ย ไม่นานนะก็จะรู้สึกคุ้นเคยแล้วอาจจะรู้สึกยินดีด้วยซ้ำนนะหรือว่าถึงกับติดใจในสถานที่แบบนี้ mm hmm. เมืองกะที่หลายคนเนี่ย mm hmm. เขาอ่มีประสบการณ์เดียวกันมาใหม่ๆนี่ก็รู้สึกเงารู้สึกว้าเวรู้สึกแปลกแยกนะพออยู่ไปอยู่ไปเนี่ยเกิดความกลมกลืนขึ้นมา แล้วก็เกิดความพึงพอใจจนกระทั่งพอถึงเวลาที่จะต้องกลับไปสู่เคหสถานกลับไปสู่บ้านจะเป็นเพราะศึกหาลาเพศไปหรือก็แล้วแต่ก็รู้สึกอาลัยไม่อยากไปเพราะนั้นในขณะที่เราวันนี้เนี่ยับผู้ที่มาใหม่ผู้ที่เคยมา ผู้ที่มาที่นี่เป็นครั้งแรกนะไม่ว่าจะในฐานะที่เป็นพระบวชใหม่หรือฐานะที่เป็นคริขรห์คารวะานักปฏิบัติธรรมเนี่ยอาการเหงาอาการว้าเวหรือบางทีฟุ้งซ่านเนี่ยนะอันนี้มันเป็นแค่ประสบการณ์ชั่วคราวให้เวลากับตัวเราเองนะ ในการปรับตัวเนี่ยเดี๋ยวไม่จะเกิดความกลมกลืนขึ้นมาแล้วเกิดความพอใจก็สมัยคือว่าการวางใจนะวางใจให้ถูกนะเพราะงคนเนี่ยพอมาอยู่ได้ไม่กี่วันเนี่ยก็คิดถึงวันกลับแล้วรอนับนะนับวันกลับนับถอยหลังว่าเมื่อไรจะได้กลับบ้านสักทีหรือว่า ยิ่งคนที่ม า, ายิ่งเป็นที่เป็นพระใหม่นี่มาบวชเนี่ยโอ้บางทีนับวันกลับเลยนะเมื่อหลายจะอะรรษาสักทีนะอีกต้องแปดสิบกว่านวนะันขนาดแต่ละวันเนี่ยยังรู้สึกผ่านไปอย่างเชื่องช้านะแล้วกว่าจะครบสามเดือนนี่มันจะยาวนานขนาดไหนถ้าคนที่คิดถึงนะวันออกพรรษานะหรือวันศึกนี่จะทุกข์มากนะ การอยู่วัดนี่จะกลายเป็นความทุกข์ทรมานไปเลยหรือการทำภาษาก็จะกลายเป็นความอึดอัดขึ้นมาเลยเราต้องเรียนรู้นะที่อยู่กับปัจจุบันนะที่จริงอันนี้ก็เป็นจุดหมายหนึ่งนะหรือเป็นอันที่สองอย่างนี้นเป็นอานที่สองอย่างหนึ่งที่เราจะพึงได้นะจากการมาอยู่วัดไม่ว่าจะอยู่กี่วันก็ตามคือไม่เพียงแต่อยู่วัดจกนกระทั่งพึงพอใจเป็นหนึ่งเดียวนะกับสถานที่เท่านั้น แต่ควรจะฝึกเพื่อที่เราจะได้รู้จักอยู่กับปัจจุบันด้วยอาการอยู่กับปัจจุบันนี่เป็นเรื่องสําคัญนะที่เราทุกข์กันนะโดยเพราะความทุกข์ใจเนี่ยนะส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเพราะว่าใจเราเนี่ยมันไปฝังอยู่กับอดีตไปจมมกมุ่นอยู่กับเหตุการณ์เรื่องราวในอดีตนะอจะเป็นความสูญเสียของรัก ความสูญเสียคนรักไม่ว่าจากเป็นหรือจากตายก็ทําให้เกิดความเศราสส้ฤฤาโศกเกิดความอาลัยอาวรณ์บางทีเกิดความโกรธกับเรื่องราวที่เจ็บปวดในอดีตหรือมิฉะนั้นเนี่ยก็ไปไปกรมบ อ, อกกุ้มใจนะเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นอันนี้เรียกว่าไปพวงกับอนาคตนะเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นนะแต่ว่าปรุงไปแล้วนะไปในทางลบทางร้าย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับคนที่เรารักนะเช่นลูกนะหลานนะซึ่งกําลังเรียนอยู่หรือว่าพ่อแม่นะซึ่งอาจจะกําลังแก่ชาราบางทีก็ห่วงว่าเดี๋ยวท่านจะป่วยนัน่นป่วยนี่ห่วงลูกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะเขาเพื่อนไม่ดีไหมนะพอจะสอบเข้าได้ไหมไอ้ทั้งหมดนี่เป็นเรื่องอนาคตทั้งนั้นแหละ และตอนนี้ยังไม่เกิดขึ้นนะแต่ว่าก็ไปพววงไปกังวลถ้าทุกครั้งที่เรากังวลเนี่ยนะส่วนใหญ่เพราะเราไปนึกถึงเรื่องราวในอนาคตที่ยังไม่เกิดอ่อาอย่างตอนอยู่เนี่ยนะอยู่เนี่ยหลายคนเนี่ยทั้งๆที่ก็ไม่ได้มีความทุกข์อะไรมากนะแต่ว่าใจมันทุกข์นะเพราะว่ามันไปคิดถึงเรื่องราวในอดีตบ้างไปนึกถึงอนาคตบ้างนึกถึงงานการที่ยังไม่ได้ทํายังไม่ไ สะสางมัง่งนึกถึงนี่ที่ยังไม่ได้ชำระให้เสร็จสิ้นมัง่งนึกไปก็ะ เ, เกิดความเครียดเกิดความกังวลรวมทั้งนึกถึงวันที่จะได้กลับบ้านนึกถึงวันที่จะได้ศึกหาลาเภนึกถึงวันออกพรรษานับถอยหลังเมื่อไหร่มันจะถึงซัทีเมื่อไหร่จะถึงสักทีกทอันนั้นนี่เราใจไม่ได้อยู่กับปัจจุบันเราใจไปอยู่กับอนาคต กาเหมือนกับเราเดินทางกันนะเวลาเราเดินทางเนี่ยบางทีสองข้างทางก็สวยงามนะแต่ว่าคนที่เดินทางเนี่ยกังวลนะว่าเมื่อไหร่จะถึงสักทีเมื่อไหร่จะถึงสักทีทั้งที่ไปเที่ยวแท้ๆนะแต่ว่าจิตใจนี่กับเครียดนะเพราะว่ามันอยากให้ถึงที่หมายไวๆ ไ, ไอ้ใจที่เฝ้าแต่คิดว่าเมื่อไหร่จะถึงเมื่อไหร่จะถึงนันะ่นแหละนะคือใจที่มันไปอยู่กับอนาคต แต่ถ้าอยู่กับปัจจุบันนะโอ้มันก็ไม่มีเรื่องที่จะต้องเครียดมาแถมยังอาจจะมีโอกาสได้สัมผัสนะกับธรรมชาติสองข้างทางที่สวยงามที่รื่นรมก็ได้มาอยู่ว่าทั้งทีเนี่ยนะต้องอย่างน้อยก็เรียนรู้ที่จะอยู่กับปัจจุบันให้เป็นไม่เอาเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นนะมาสร้างความวิตกความกังวลให้ งานการที่ยังที่จําเป็นของวันพรุ่งนี้ยังเป็นอันที่เป็นของวันมะเรนนี้ก็อย่าไปพะวงมากนะการอยู่กับปัจจุบันเนี่ยความหมายเนี่ยคือว่าอยู่กับวันนี้นะทำงานวันนี้ใส่ใจกับงานภาร ก, กิจที่มีอยู่ในวันนี้ให้ส่วนของวันพรุ่งนี้เนี่ยเอาว่าว่ า, าไวท้ทีหลังเอาไวท้ทีหลังหรื อ, อเอาไว้ก่อน งานของเมรืนนี้นะมันก็เป็นเรื่องของเมรืนนะไม่เก็บเอามาสร้างความหนักอกหนักใจให้ถ้าจะวางแผนเพื่อเตรียมนะมันก็ได้นะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเวลานึกถึงงานของวันพรุ่งนี้ของวันเมรืนเนี่ยมันนึกแล้วมันมีแต่ทาให้เกิดความหนักอกหนักใจเกิดความกังวลหรือเกิดความพววงเดินจงกรมสร้างจังหวะก็นึกถึง งานที่จะต้องทำอาทิตย์หน้าแล้วก็เกิดความหนักอกหนักใจขึ้นมามันเป็นการซ้ำเติมตัวเองอะไรที่ยังไม่ถึงนะก็ไม่เอาเก็บเอามาสร้างความหนักอกหนักใจหรือพาวงค่ะเดีอกกันก็ไม่หมัวแต่นับถอยหลังว่าเเมื่อไหร่จะสึกสักทีเมื่อไหร่จะถึงวันออกภาษาสักที ถ้าเราอยู่กับปัจจุบันให้เป็นนะการอยู่วัดเนี่ยมันจะกลายเป็นเรื่องง่ายมันจะกลายเป็นโอกาสนะที่เราจะได้พบกับความสงบเนะพราะสถานที่มันก็ร่มรื่นอยู่แล้วอันนี้อยู่กับปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่แค่ปัจจุบันไม่ได้หมายถึงแค่วันนี้นะแต่ยังกระชับให้มันแคบลงมาก็หมายถึงชั่วโมงนี้นะทำชั่วโมงนี้ให้ดีที่สุดไองานที่เป็นของ ชั่วโมงหน้าเนี่ยเอาไว้ก่อนเราใส่ใจกับงานหรือภาระหรือกิจที่ทำในชั่วโมงนี้และถ้าเราอยู่กับปัจจุบันให้เป็นเนี่ยแม้กระทั่งนาทีนี้เนี่ยนะเราก็อยู่กับมันได้เราก็อยู่กับมันเป็นจกนกระทั่งปัจจุบันที่กลายเป็นปัจจุบันขณะปัจจุบันขณะเนี่ยก็คือการที่ใจเราเนี่ยอยู่กันเด้อ ก, กับตัวนะ เวลากายทำอะไรนะใจก็รู้นะเช่นปัจจุบันขณะเนี่ยเรากลังนั่งอยู่เราก็รู้กลังนั่งหรือว่ากาลังฟังอยู่นะใจเราก็อยู่กับการฟังนะฟังตามติดนะถ้อยคำที่ได้ยินมันมีสะดุดตรงไหนน ะ, ะบางทีก็ไม่ไปไม่ไปติดอยู่ตรงนั้นนานนะก็ตามนะ ถ้อยคําที่ได้ยินไปเรื่อยๆทําความเข้าใจอนนี้เราอยู่กับปัจจุบันขณะนะซึ่งสําคัญมากนะที่เรามาฝึกการเจริญสติเนี่ยนะเรามาฝึกให้รู้นะแจ้งในปัจจุบันขณะในขณะที่กายทําอะไรนะใจก็รู้กําลังเดินก็รู้กาลังกินก็รู้นะกําลังเคี่ยวก็รู้กําลังอาบน้ําก็รู้นะ แล้วถ้าจะอยู่กับปัจจุบันขณะนะต่อไปเนี่ยมันก็สามารถจะรักษาใจให้เป็นปกติได้ในปัจจุบันขณะไม่ปล่อยให้ความเครียดความวิตกกังวลเข้ามาเกาะกลุ่มจิตใจในแต่ละขณะแต่ละขณะในการอยู่กับปัจจุบันเนี่ยนะเราต้องอยู่ให้เป็นนะไม่ใช่เพียงแค่ว่าทําวันนี้ให้ดีที่สุดหรือว่าใส่ใจกับสิ่งที่ทําในวันนี้แต่รวมถึงการที่เรา สามารถจะอยู่กับอยู่กับปัจจุบันขณะรู้ทันในแต่ละขณะแต่ละขณะที่นะเกิดกับกายและใจไม่ว่ากายทำอะไรใจก็รู้หรือว่าคิดนึกอะไรนะก็รู้ทันนะซึ่งนั่นก็หมายเขาว่ามันทำให้เราเนี่ยรู้จักนะอยู่กับเนื้อกับตัวรู้จักพาใจอยู่กับเนื้อกับตัวในแต่ละขณะแต่ละขณะ ซึ่งก็ทำให้เกิดความรู้สึกตัวแล้อย่างต่อเนื่องและเช่นนี้เนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยสามารถจะอยู่กับตัวเองให้เป็นได้ไม่เป็นแต่อยู่กับปัจจุบันเป็นเท่านั้นนะแต่ว่าสามารถที่จะอยู่กับตัวเองให้เป็นด้วยคนเดี๋ยวนี้เนี่ยอยู่กับตัวเองไม่เป็นนะล้วก็ทนไม่ได้กับการที่จะอยู่กับตัวเองด้วยอยู่กับตัวเองเมื่อไรเนี่ยจะรู้สึกกระสับกระส่ายกระวนกระวายขึ้นมา เพียงแค่ไม่มีโทรศัพท์มือถือเนี่ยนะหรือไม่มีคนคุยด้วยเนี่ยหลายคนก็จะรู้สึกกระวนกระวายกระสับกระส่ายต้องมีโทรศัพท์มือถือหรือว่าต้องมีอะไรทําต้องมีคนคุยเพื่อจะได้หนีจากตัวเองเพราะทนอยู่กับตัวเองไม่ได้อยู่กับตัวเองเมื่อไรเนี่ยนะมันจะถูกความคิดต่างๆรุมเร้าความคิดไม่ไว่าจะเป็นเรื่องราว ความทรงจาแนอดีหรือการปรุงแต่งภาพอนาคตมันรุมเร้านะจนกระทั่งกระสับกระส่ายขึ้นมาหรือไม่เช่นนั้นเนี่ยก็เพราะว่ายังหลงติดในความสุขจากสิ่งเร้านะสิ่งเร้าภายนอกนะสิ่งเร้าทางตาสิ่งเร้าทางลิ้นสิ่งเร้าทางจมูกสิ่งเร้าทางหูนะ เดี๋ยนี้คนะเราเนี่ยติดสิ่งเราเหล่านี้มากทีเดียวแล้วไปคิดไปหวังความสุขจากสิ่งเหล่านี้แหละความสุขจากสิ่งเสบนะความสุขจากการกินความสุขจากการได้ดูหนังฟังเพลงมพอพอเสรติดสิ่งเรานะหรือต้องพึ่งพาความสุขจากภายนอกเนี่ยพอไม่มีสิ่งเนี้นะต้องอยู่คนเดียวเนี่ย มันกลายเป็นกรวแกรวายขึ้นมาแต่ถ้าเราอยู่กับตัวเองเป็นนะเอเราจะสามารถพบความสุขภายในคนเราเนี่ยถ้าเราพบความสุขภายในแล้วมันก็ไม่โหยหาความสุขจากภายนอกหรือความสุขจากสิ่งเล้าสิ่งเสพอยู่คนเดียวก็อยู่ได้รวมทั้งนะไม่ต้องทุกข์ทรมานกับไอความคิดที่มันฟุ้งปรุงแต่งสารพัดทคนเราต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับตัวให้เป็นนะ เพราะว่าพอถึงเวลาแกชราเนี่ยเดี๋ยวนี้คนแก่เนี่ยต้องอยู่คนเดียวลูกก็ต้องไปทำงานเช้ากลับบ้านก็ค่าบางทีไม่มีเวลาที่จะคุยกันเลยนะแม้จะอยู่บ้านเดียวกันเพื่อนร่วมกวนนะก็ร่วมหายตายจากไปแต่ก่อนมีสังคมคนเท่าคนแก่แต่ตอนหลังพอมาอยู่บ้านอยู่ทาวเฮาส์อยู่คอนโด ก็ตัดขาดจากเพื่อนวัยเดียวกันแล้วก็เลยเหงาหงอยเพราะว่าไม่เคยที่จะเรียนรู้การอยู่คนเดียวก็ลงเอยไปด้วยการที่ไปนั่งจ้องโทรศัพท์เนีนยเฝ้าดูโทรทัพท์ทั้งวันทั้งคืนนะยังไม่รู้เนื้อรู้ตัวเท่าไหร่ ยิ่งพอเจ็บป่วยด้วยแล้วนี่ทรมานมากเลยนะเจ็บป่วยนอนติดเตียงทาอะไรก็ทําไม่ได้อยู่คนเดียวก็เหงานะจะดูหนังก็ดูไม่ไหวจะฟังเพลงก็ไม่สะดวกนะทรมานมากเลยใจจิตถึงไม่ต้องรอให้แก่ไม่ต้องรอให้ชาราหร อ, อกนะแมนะ้ยังหนุ่มยังสาวเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ทุกข์มากนะเวลาอยู่คนเดียวขนาด ขนาดว่ามีสิ่งเสพปนเปื้อมากมายแต่พอล็อกดาวนะ์ไปไหนไม่ได้ต้องอยู่บ้านโอ้หลายคนทุกข์มากเลยมันทรมานมากเลยนะทั้งที่หนังก็มีให้ดูเพลงก็มีให้ฟังอยากจะกินอะไรก็บางทีก็สั่งให้เข้ามาส่งได้แต่ว่าไม่มีโอกาสได้ไปเที่ยวสังสรรค์กับใครไม่มีโอกาสได้ไปชอปปิง้งเหงาทรมานนะ จะเป็นโลกภาะสาทเอาเนะอันนี้เพราะว่าอยู่กับตัวเองไม่เป็นแต่ถ้าอยู่กับตัวเองเป็นนะโอ้ไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นนะจะแก่ชาราจะป่วยเจ็บป่วยเนี่ยก็ยังสามารถนะประคองใจให้มีความสุขเพราะว่ารู้จักอยู่กับความรู้สึกตัวอยู่กับตัวเองในความหมายที่ลึกซึ้งคือการอยู่กับความรู้สึกตัวนะซึ่งมันก็ เชื่อมโยงการอยู่กับปัจจุบันนะถ้าเราอยู่กับปัจจุบันเป็นนะการอยู่กับความรู้สึกตัวหรืออยู่กับตัวเองเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องอยากและนี่คือสิ่งที่เราพึงจะเรียนรู้ได้นะจากการมาอยู่วัดเนี่ยถ้าอยู่วัดให้เป็นนะมันก็จะอยู่กับปัจจุบันเป็นและถ้าอยู่กับปัจจุบันเป็นนะการอยู่วัดมันก็กลายเป็นเรื่องที่รื่นรมนะหรือร่มรื่นเพราะมีความรื่นร่มเพราะมีบรรยากาศที่ ร่มรื่นอํำหนวย่ยและถ้าหากว่าเราอยู่เราอยู่กับตัวเองเป็นนะาการอยู่วัดก็ไม่ใช่เรื่อยงยากหรืออยู่ที่ไหนก็แล้วแต่นะแม้จะไม่ใช่บ้านก็สามารถอยู่อยู่ได้อย่างมีความสุขพูดง่ายคือว่าอยู่ทุกที่ก็มีสุขนะเพราะเรารู้จักอยู่กับปัจจุบันแล้วก็อยู่กับความรู้สึกตัวเป็นอ่ะอย่ายนี้พูดท่านี้นะอ้ะาวกบครับ